เดือดก่อนไม่ได้เจอกันภาวนาหรือเปล่าต้องภาวนานะเจอหลวงพ่อหรือไม่เจอต้องภาวนาดะงนั้นก่อนหลวงพ่อไม่ได้ขี้เกียจนะหลวงพค<อ>ดีต้องไปเผาศพครูบาจารย์องคหนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดุลนัน่นก่อนหลวงพ่อภาวนาดีแต่ท่านบวชอายุตั้งหกสิบล้วบวชเมื่อแก่ท่านคนแก่ก็ภาวนาได้นะอย่าท้อใจ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 ตอนนี้พวกเรามาถูกทางแล้วพวกเราปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเพราะนั้นเรียกว่าเราตั้งเป้าถูกแล้วถ้าปฏิบัติเพื่อให้เฮงเพื่อให้มีโชคมีลาภอะไรทั้งคนละเรื่องกันไม่ใช่ศาสนาพุทธแท้ๆหรอกศา ส, สนาพุทธแท้ๆเนี่ยปฏิบัติไปเพื่อพระนิพพานในสมัยพุทธกาลเคยมีพระองค์หนึ่งชื่อพระปุณณมันตนิบุตรพระองค์นี้เป็นองค์ที่เทศให้พระอานุลังฝังและพระอนนลัได้พระโสดาบัน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 ท่านก็รอพอตกเย็นๆพระมัณฑนิบุตรท่านออกจากสมาธิมาพระสารีบุตรก็เข้าไปทักทายไม่บอกชื่อกันทักทายแค่ว่าท่านเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือใช่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถามไปถามมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยกันพระสารีบุตรถามอีกว่าท่านปฏิบัติภาวนานเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์ของศีลหรือพระมัณฑนิบุตรบอกไม่ใช่พระสารีบุตรถามต่อว่า เพื่อความบริสุทธิ์ของจิตหรือนะท่านก็บอกว่าไม่ใชนะ่เพื่อความบริสุทธิ์ของทิฏฐิคือความรู้ความเห็นหรือเปล่ากพไม่ใชนะ่เพื่อให้หมดความสงสัยในรูปธรรมนามธรรมหรือเปล่านะก็าไม่ใช่เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถามอะไรๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะสุดท้ายท่านถามบอกเพื่อให้บรรลุมรรคผลหรือเปล่านะให้เกิดญาณทัศนะ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 เราก็พอเห็นร่องรอยของพิษนิพพานได้นะว่าถ้าใจเราไม่ถูกบีบคั้นเราจะมีความสุขแค่ไหนใจของเรานะี่ยเที่ยวยึดถือสิ่งต่างๆไปเรื่อยยึดอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นเนี่ยสมมุตินะนี่ยึดมีกระดาษหนึ่งแผ่นนะมีขวดหนึ่งอันถามว่าอันไหนหนักกว่ากั น, เ, นเราก็ต้องบอกว่าขวดหนักกว่าใช่ไหมโดยสามัญสํานึกน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 ใจเราหนักๆบางทีใจก็มีตันหาก็ถูกบีบรู้สึกไหมถูกบีบถูกเค้นหนักๆเ น, นี่ยพวกเราเห็นแล้วนะเราเห็นสิ่งที่ตรงข้ามกับพระนิพพานนะพระนิพพานคือสิ่งตรงข้ามกับที่เราเห็นนี่แหละนะพทุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่นี้กระจอกงอกง้อยนะบอกว่ามีนิพพานมีอยู่แต่ว่าไม่รู้จะไปยังไงท่านไม่ได้สอนนะี้ท่านบอกกระทั่งวิธีที่จะไปสู่พระนิพพานะวิธีที่จะไปสู่พระนิพพานนะต้องจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นนะมีคําว่าเท่านั้นด้วย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 ไปนานๆนะกว่าจะได้ก้าวหนึ่งนนะถ้าถูกหมาไล่กัดยมันกัดตายไปนานแนละ้วหนีไม่ทันนะเราจะไปดนะัดแปลงมันในอัตถกถาเนี่ยในคำพีชั้นอัตถกาถาเนี่ยสอนไว้เลยถ้าเมื่อไรอยากปรุงแต่งฝ่ายดีอยา ก, ยากปฏิบัติธรรมเนี่ยปรุงแต่งฝ่ายดีนะสิ่งที่ทำมาเนี่ยก็คืออัตตะกิลมัฐานุโยคอัตตะกิลมัฐานุโยคคือการทำกายทำใจให้ลาบาก แทนที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะไปบังคับกายบังคับใจนั่งก็นั่งไม่เหมือนคนธรรมดาเดินก็เดินผิดปกติที่เคยเดินกระทั่งหายใจนะหายใจมาแต่เด็กหายใจมาตั้งแต่เกิดหายใจมาสบายๆพอคิดถึงการปฏิบัตินะก็ต้องหายใจไม่เหมือนปกติแล้วเช่นต้องรู้นะลมกระทบจงอยปากลมกระทบปลายจมูกลมกระทบเพดานลมกระทบคอนะลมกระทบหน้าอกกระทบท้องเนี่ยมากเกินไป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 นี่เสียงหายไปเฉยๆแสดงว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเรื่องเจปีนะเจ็ด <c oughs> วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะดูไปเรื่อยฝึกไปบางคนก็รู้สึกแม้ภาวนามาตั้งสามวันแะยังละสักกายทิ่ถีไม่ได้เลยใจร้อนใจร้อนเวลาสะสมกิเลส น, นะสะสมมาตั้งหลาย1ิปีใช่หไหมเวลาจะมาเจริญสติให้รู้ถูกให้เข้าใจถูกแมสองสามวันจะเอาแล้วบางคนก็สามเดือนนะ สเดือนทำไมไม่ได้สักทีเจเดือนทำไมไม่ได้สักทีทำไมอ่านหนังสือดังตรีนบอก7เดือนบรรลุธรรมนี่เราอ่านมาเจเดือนกับ3มวันยังไม่บรรลุอีกอะไรเงี้ยนะอย่าใจร้อนอดทนค่อยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆไปนะการที่เราค่อยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปนะถึงขณะนี้จะยังไม่บรรลุมรรคผลเราก็มีความสุขแล้ว ท, ทันทีที่รู้สึกตัวใจเราตื่นขึ้นมาเราจะเริ่มมีความสุขนะจิตใจจะมีความสุข ข, ขึ้นมา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 ดูไปดูไปน่าใจมันจะตั้งขึ้นเองสมาธิมันจะเกิดขึ้นทีหลังงั้นกายและเวทนาเนี่ยเหมาะ ก, กับสมถะญาณิกเหมาะ ก, กับคนทาําฌานถ้าไม่ได้ทาําฌานทํายากส่วนจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนานี่เหมาะ ก, กับวิปัสสนาญานิกเหมาะ ก, กับคนที่จเจริญสติแล้วตามรู้เข้าไปเลยเราะฉะนั้นถ้าคุณจะเดินในสายกายสายเวทนาคุณต้องมีจิตเป็นคนดูไวเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง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 เราเห็นรูปมันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปนี่เราได้รู้รูปแล้วรูปที่เคลื่อนไหวไปมานี่มันไม่ใช่ตัวเราเปลี่ยนอิริยาบถไปนี่ไม่ใช่ตัวเราถ้าคนไหนดูจิตนะนั่งไปแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาตอนนั่งแล้วมันเมื่อยใจกระสับกะส่ายเรารู้ว่าใจกระสับกะส่ายนี่พวกดูจิตพอลุกขึ้นมานะหายเมื่อยแล้วจิตใจมีความสุขพ อ, อพอใจให้มารู้ทันว่ามีความสุขรู้ว่าทันว่าพ อ, อพอใจนี่รู้ทันจิตไม่ต้องลำบากแต่ถ้าจะดูเวทนานะต้องสู้ตายเลย นั่งดั้ ง, ด, งดูไปเรื่อยๆถ้าไม่ตายสักข้างหนึ่งก็ดีอ่ะถ้าเราไม่ตายกิเลสก็ตายน ะ, ะเชิญกลับมาสการำลหลวงพ่อค่ะเ อ, อปีที่แล้วติดประคองนะคะแล้วก็หลวงพ่อให้ดูกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะคะ่ะก็รู้สึกไมมันคลายออกน ะ, ค, ะคลายออกอค่ะแล้วถ้าสังเกตต่อไปอีกนะอย่างตอนนี้ยกลัวหลวงพ่อก็เลยกดเอาไว้ <c oughs> ดูออกไหมดูออกค่ะ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 ดูจิตไปเลยนะของคุณของคุณเป็นคนคิดมากดูจิตไปตอไ ป, ไปมตรคการว่าไงยิ้ม ไ, <ป>ไม่เลิก <laughs> บางครั้งก็เหมือนกับเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำไมบางครั้งมันก็เหมือนกับไม่เคยเข้าใจอะไรเลยเรายัางเข้าใจด้วยสัญญานะ <c oughs> ยังไม่ใช่เข้าใจด้วยตัวปัญญาแท้ๆเพราะฉะนัน <c oughs> บางทีก็รู้เรื่องบางทีก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs>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 อให้รู้ทันแล้วกีพยักหน้าเห็นไหมดูกายไปด้วยนะอ่ะต่อไปขอธราารมสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเอ่อโดยรวมแล้วผมเริ่มจะรู้สึกตัวเป็นอย่างครับก็เป็นนะโดยรวมก็พอใช้ได้ละแต่ตอนนี้จิตมีโมหะดออกไหมความรู้สึกของเราขณะ น, นี้มัวมัวไม่ชัดเจนซึมซึมมัวมัวดูออกไหมครับนะไม่ต้องเกรงใจนะถ้าไม่ออกก็จะได้พาดูอย่างอื่นแทนนะ จิตมันมีโมหะอยู่ให้รู้ทันนะ <อ GUY S 1> จิตเป็นยังไงให้รู้ทันไปเรื่อยจิตแอ บ, บไปคิดแล้วทราบไหมออตอนเนี้ยจิตมันไหลไหลไหลไหลไปคิดนะให้รู้ทันเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ทันนะอะคนต่อไปออง่ายเห็นไหมกรกรมธรรมฐานไม่รู้กายก็รู้ใ จ, ใจก็มีแค่นั้นแหละอเดิมจะดูลมหายใจเจ้ค่ะ แต่ตอนนี้ก็พยายามฟังซีดีของหลวงพ่อนะคะเวลาคุณหายใจนะจิตมันยังไหลไปอยู่ที่ลมอยู่<ช>งั้นเวลาหายใจต่อไปเนี้ยดูเหมือนเราดูอยู่ห่างๆมันนั่งดูคนอื่นหายใจอย่าให้จิตน้อมเข้าไปที่ลมนะ<ช>คุณควางไมโครแล้วหายใจให้หลวงพ่อดูวางไมโครโฟนกันนะแล้วหายใจไปนี่รู้สึกไหมจิตเราเคลื่อนไปจิตเราส่งออกนอกนะแค่นี้ก็ออกนอกแนละ้ว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 คุณทำสมาธิจนจิตมันนิ่งเกินไปนิดหนึ่งแล้วเหมือนพยายามกระดุกกระดิกพยายามกระดุกกระดิกไปอ้าวลองไงอีกข อ, อกันบ้านเจ้าค่ะนี่แหละให้แล้วนะยังมาทวงกันบ้านอีก <c oughs> แค่นี้ก็ทํากันเป็นปีแล้วนะนำ้ำมศการหลวงพ่อวันนี้กี่ปีแล้วล่ะอายุสิบปีสิบปีเออสิบปีกำลังดีอ้าว่างไงจะส่งกันบ้านขอรับเหรอ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 มูนี้จิตดีฉันมัวแล้วเกินดูไม่ออกเลยอ้าวดูไม่ออกแล้วรู้ว่ามัวมัวแล้วรู้ว่ามัวนั่นแหละดูออกแล้วนะี่คิดมากเลอ้าวต่อไปครับมณัสกานครอบหลวงพ่ออืมนมัณฑสถารครับไม่ใช่มณัสกานอ้าว่างไงมันเป็นเป็นครับออครั้งแรกครับธรรมดาครับทีนี้จะมาขอการบ้านหลวงพ่อครับเด็กขอแล้วทำไหมครับครับขอแล้วต้องทำนะครับ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 มันก็จะกดทันทีเลยเออนะมันจงใจพยายามปฏิบัติในชีวิตธรรมดาธรรๆนี่ให้มากๆนะเวลาไปนั่งสมาธิมันกดก็รู้ว่ามันกดไปก็นั่งไปะตอนนี้กดไม่มากแล้วใช้ได้ครับจิตมันมัวรู้ด้วยความเป็นกลางะเพราะฉะนั้นจิตมัวรู้ว่ามัวไม่ต้องอยากให้หายถ้าอยากให้หายยังไม่หายเวลาที่เราอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้จิตมันมีความอยากมันมีกิเลส สติแท้ๆเลยไม่เกิดนะแต่ถ้าจิตมัวมีสติรู้ทันว่าจิตกําลังมัวอยู่เนี่จิตจะหายมัวเลยนะรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางนะรู้ไปครับตอนนี้มีประคองไว้นิดหน่อยนะอะคนต่อไปขอบคุณมากเห็นไห ม, <He ard S 2> ไหมตอนส่งใหม่กับตอนรับไหม่ลืมทั้งคู่เลยรู้สึกไม้มนับสักการนะครับ<ล>ช่วงนี้ผมใช้การรู้กายเคลื่อนไหวกับสวดมนต์สลับกันไปเครื่องอยู่นะครับก็บยัง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 เคยฟังค่ะฟังก็ใช้ได้แล้วล่ะรู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วจิตเราสว่างากว่าเมื่อก่อนรู้สึกไหมมันโปร่งมันโล่งมันเบาขึ้นมาแล้วนะงั้นเรามีสติตามดูของเราไปเร่อยคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเร่ อ, เ อ, อยแล้วอยากจะทราบว่าตอนขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยทำไมเราถึงได้กลิ่นกระสอบป่านคะกลิ่นอะไรนะกระสอบป่านข้าวอะค่ะได้กลิ่นอะไรก็ช่างมันเห็นอะไรก็ช่างมัน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 S <S แต่เมื่อ น, นิมิตเกิดแล้วอย่าไปยุ่งกับมันให้รู้ทันที่จิตพอกันบ้างได้ค่ะฝึกสติเรื่อยๆนะอย่านั่งให้เคลิมๆไปเพราะฉะนั้นเวลานั่งแล้วรู้เห็นอะไรขึ้นมาให้ย้อนมาดูจิตของเราเอง <ừ. S 1> จิตสงสัยให้รู้จิตกลัวให้รู้จิตดีใจให้รู้รู้ตงมาที่จิต อ, อย่าประคองให้นิ่งประคองไปใช่ไหมคะประคองไปต่ อ, อไป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 ตอนนี้เข้าใจว่าหลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าถูกนะถูกตอนนี้แค่กลัวหลวงพ่อแล้วกดเอาไว้นิดหน่อย <c oughs> นะเน่ยจิตหนีไปคิดทราบไหมเนี่ย <c oughs> เริ่มกดแล้วเริ่มกดแล้วเวลาที่เราจงใจที่จะดูสภาวะอยากจะดูสภาวะให้ชัดชัดตรงนี้แหละเราจะไปเพ่งนะความเพ่งทั้งหลายนะบางทีเกิดจากจงใจที่จะดูก็จ้องเข้าไปเลยจิตก็นิ่งไปรู้สึกไหมตอนนี้นิ่งไปแล้ว นะอย่าไปทําอย่างนี้นะปล่อยให้มันโซนๆไว้เอาตัวจริงออกมาตัวจริงซนกว่านี้นะอย่าไปบังคับให้จิตนิ่งๆรู้สึ ก, สกไหมบังคับไม่เลิกว่าไงคือคือรู้ตอนนี้ที่เห็นตัวเองคืออยากจะติดดีคืออยากให้จิตมันดีท้องไม่ดีก<อ>็ให้รู้ทน<ห>ัน<ห>ความอยากนะความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทนันความอยากเป็นตัวสมูทยัยเป็นตัวสร้างพบพบก็คือเป็นคนดี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 อาคนต่อไปอออยากนะครับจะขอรบก้นขอก็มาทางที่ให้เป็นวิหารธรรมของ ค, คุณนะคุณทําใจที่สงบตั้งมั่นอย่างเงี้ยดีแล้วคุณคอยรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเลยเนะียคุณจะดูกายได้ชัดกว่าดูจิตนะไปดูกายพอดูกายได้ก็จะเห็นจิตด้วยเห็นไหมร่างกายไหวร่างกายที่ยกมือร่างกายที่อะไรเนะี่ยมันเคลื่อนไหวเหมือนกุญยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเราอะ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 รวมได้เองนะแต่ถ้ากำลังพอนะแล้วก็เป็นกลางนะกำลังพอเป็นกลางจะขาดออกไปนี่รู้ด้วยความไม่เป็นกลางจิตไม่ชอบแต่ทำยังไงอะ่ะตอนนั้นจิตมันไม่ชอบอะ่ะทำไม่ได้ทาไม่ได้เพราะเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนที่จิตยังไม่รวมเข้าอปปนานี่แหละต้องฝึกไปเรื่อยจิตไม่เป็นกลางให้รู้วไม่เป็นกลางไปเรื่อยจนเข้าเป็นกลางเข้าเองนะ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 ยังไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรเป็นวิหารอะไรก็ได้นะเราฝึกให้มีสติเท่านั้นแหละฝึกแล้วสติเกิดบ่อยก็เอาวันนั้นรู้จักใจลอยไหมครับ <นะ S 1> ถ้าใจลอยแล้วเรารู้ว่าใจลอยเรื่องเรามีสติขึ้นมานะแล้วเราคอยรู้ทันไปจะขยับก็ได้ขยับเล่นๆเหมือนที่หลวงพ่อเทียบตะกี้ว่าเหมือนมีกวดน้ําเป็นตัวตั้งไหมท่านั้นใจเราเคลื่อนไปจากนี้เราก็รู้ทันงั้นอย่างเราขยับเนี่ยใจเราไหลไปอยู่ในมือเราก็รู้ทันนะ ใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันใจเราไปไหนเราก็คอยรู้ทันขยับไปเราก็รู้ทันใจของเราไปไม่ได้ขยับให้นิ่งนะส่วนใหญ่ไปเสร็จตรงให้นิ่งนี่แหละแล้วผมควรใช้อะไรเป็นวิทยาละทธิขนาดนี้โยมรู้สึกจิตเป็นยังไงบอกหลวงพ่อสิแ น, น, นี้เห็นไหมว่ามันมันผิดธรรมชาติ<แ>ดู อ, อกไหม<แ><แ>มันตื่นเต้ น, นก็เลไปกดกดไว้<แ>ของโยมดูไปได้เลยดูจิตดูใจไปได้เลย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 การนมัสการพระอาจารย์นะเจ้าค ะ, ะปีที่แล้วยมไปปฏิบัติที่สวนสนติธรรมพระอาจารย์บอกให้แก้ไขว่ายังติดสมถะและจิตมักจะไหลลงไปแช่ในกายอตอนนี้ยมอยากจะเรียนถามว่าดีขึ้นหรื อ, อยังดีขึ้นต้งเยอะเลยรู้สึกไหมล่ะใจเราโปร่งโล่งเบาใจเราปลาดเปรียวว่องไวเห็นห <Okay. S 2> กิเลสอะไรเกิดเราก็เห็น <Okay. S 2> นั่นแหละดีที่สุดลวแต่เราไม่ได้ฝึกให้ไม่มีกิเลสนะ เราฝึกกิเลสมาเราก็รู้กุศลมาเราก็รู้สุขทุกมาเราก็รู้ไปด้วยในสุดก็เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยยมฝึกได้ดีมากนะ<า>กดีแล้ว<า>ใจมันตื่นได้เต็มที่แล้วสบายรู้สึกไหมมีความสุขภาขวาน า, าแล้วมีความสุขเนี่ยนี่ขนาดยังไม่เป็นพระอริยะนะสุขขนาดนี้เราคิดดูสินี่ส <c oughs> าธุจ้าค่ะมาเรียนถามนิดนึงเจ้าคะอันนี้คือปฏิบัติถูกตรงกับสบิิตธ์แล้วใช่ไหมท่านถูกแล้วละ่ะะที่ทําอยู่ตอนนี้ดีเลยล่ะ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 คอละข้างนอนหนูคณะกลุ่มของกลุ่มก้อนของความเป็นตัวเรานี่มันแตกออกไปดีปึกไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อค่ะออนูยกไมแบบ้แบบนี้แบบร้องคาราโอเกะค่ะหนูเคยเออหลวงพ่อเคยแนะนําให้หนูดูกายไปด้วยค่ะแล้วคราวนี้หนูก็ดูแล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเ อ, อมัน